กราบขอโอกาสปอาจารย์บรธทนชัยครับกราบขอโอกาสปอาจารย์สุลินกราครับขอโอกาสเพื่อสถามิกก็เจริญบอลพวกเรานะเล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าสู่กันฟังง่ายๆก็ทุดงก็ทางหนึ่งก็เหมือนกับเป็นเรื่องของการไปเที่ยวเนาะ ไปเที่ยวเราก็ได้ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆซึ่งคำว่าไปเที่ยวในที่นี้ในทางเราคนวัดเนาะก็ไปเที่ยวทั้งสองทางเที่ยวทางหนึ่งก็เราก็เที่ยวทั้งเหมือนกับเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นในทางด้านสภาพพื้นที่แต่อีกทางเดียวกันก็เป็นเรื่องของการที่เรามองกลับเข้ามา ดูในกายในใจเรากับในเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยเนื่องจากว่าเราไปใช้ร่างกายเราไปใช้จิตใจเรากับในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยมันก็ทำให้เราได้ท่องเที่ยวทั้งภายนอกไปด้วยทั้งท่องเที่ยวทั้งภายในไปด้วยในเวลาเดียวกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นประโยชน์เรา เป็นประโยชน์กับการที่เราอาศัย อ, อาศัยก็เรียกว่ากิจกรรมที่เรียกว่าทุดงตรงนี้ก็พระจันโน้ตนะครับท่านก็ผ่านํำก่อนจะเริ่มเดินทุดงก็เหมือนกับเราก็ต้องเหมือนกับอธิษฐานเนาะทุดงขวัดเนาะข้อเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเลือกอะไรยังไงก็ตามเนาะ ในส่วนหนึ่งอธิษฐานให้เราได้ถือทุปนงควัตสักส่วนหนึ่งซึ่งโดยส่วนตัวก็ถือทุปนงควัตสีห้าอย่างนะครับเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจะตกหล่นไม่ได้ตั้งใจแต่ส่วนอื่นๆถ้าเกิดเป็นผลพลอยได้ขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับ เราก็ในช่วงในช่วงที่เราเหมือนกับตั้งแต่เดินเนาะก็เรียกว่าตั้งแต่เดินธรรมยาตราก็เหมือนอุ่นเครื่องไปแล้วก็จนกระทั่งจบจบการเดินเนะเราก็ถือว่าเราก็อธิษฐานจิตเนาะที่จะตั้งใจตั้งใจถือทุดงคบัตต่างๆที่ที่เราตั้งใจเอาไว้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการกำกับตัวเองเนาะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะให้เราได้เหมือนกับว่าได้ลองเนาะได้ลองทดสอบดูเนาะว่าจิตใจของเราเนาะมันจะเป็นแบบไหนเพเราะเนื่องจากว่าเรื่องราวที่พอเราทำอะไรที่แปลกเปลี่ยนไปจากเดิมจิตใจของเรามันก็จะดิ้นหลนนะ <c oughs> เพเราะนื่องจากว่าไอ้ความอบอุ่นคุ้นเคยที่มีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ย เราก็จะพบว่ามันเกิดในสิ่งต่างๆนี้เป็นเรียกปฏิกิริยาทางด้านกายไม่เท่าไหร่แต่ว่าทางด้านกายทางด้านใจนี่แหละที่จะเยอะหน่อยก็ <c oughs> ไปเริ่มเดินที่ตรงบริเวณแถวๆใกล้ๆอำเภอปายเนาะก็จะอยู่ในช่วงในช่วงใกล้ๆอำเภอเมืองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระจัโนโตกำหนดก็คือ เราจะเดินในส่วนที่เหมือนกับตะเข็บลอยต่อของของประเทศไทยกับประเทศพมา่ากับประเทศข้างเคียงนะเนอะบังเอิญคราวนี้เราไปเริ่มต้นกันที่แม่ห้องสอนจริงๆแล้วก็เดินตะเข็บต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่หนองคายไล่ไปนะครับไล่ไล่ไล่มาผ่านเชียงรายเชียงใหม่อะไรต่างๆ นีปีนี้ก็มาต่อจากปีก่อนๆจุดที่เราเดินก็จะเป็นจุดที่อยู่ในกลุ่มคนชาบปรกกยอต้องเรียกว่า90 90% เก้าว่าเปอร์เซนต์านื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เราก็หลบถนนใหญ่ทางเดินบางที่ก็จะเป็นทางเดินแคบๆเนะ ทางเดินแคบๆสักหกสิบเซนเจ็ดิเซนอะไรอย่างนี้นนะข้างหนึ่งก็เป็นเหวข้างหนึ่งก็เป็นผาอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเราพวกเราดูแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะบริเวณ น, นั้นจะเป็นบริเวณที่มีภูเขาที่เรียกว่าถียิบนะวันหนึ่งก็จะมีการขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขากันเป็นเขาเรียกว่ากันเป็น แต่องเรียกว่ายัางไงขอเรียกขอใช้คําว่าลูกไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็เป็นก็เรียกว่ามันก็ขึ้นลงขึ้นลงทีหนึ่งทีหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็บันทีก็เป็นร้อยร้อยเมตรอย่างเงี้ยเนาะี้ขึ้นทีหนึ่งบางทีก็เป็นกิโลกิโลไม่มีก็เรียกว่าไม่ไม่มีทางเรียบให้พักะจะยืนพักก็ยืนพักกันเป็นแบบนี้เอียง บางทีลงทีหนึ่งก็ลูดไปเลยนะครับเป็นกิโลสองกิโลไปเลยอนะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางเดินที่ที่คนชาวบ้านใช้กันอยู่เป็นหลักแล้วก็บางทีก็เป็นทางที่เขาก็ใช้นอตมอเตอร์ไซค์กันเราก็ยังอัศจรรย์ใจนะโอ้โหเขาใช้มอเตอร์ไซค์กันได้ยังไงชันเกินขนาดนี้ทั้งขึ้นทั้งลง กำลังย์ใจอยู่ก็เห็นพ่อแม่ลูกนะสามคนแม่ก็อุ้มลูกเล็กๆนะลูกที่เหมือนกับสักสองสาเดือนเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์คนจะไปหาหมอมาอะไรเงี้ยนะก็ขับผ่านมาแล้วก็ดูเขาก็โอ้โหแบบว่าเรียกว่ามองขึ้นไปว่าชันขนาดนี้นะไหลลงมาก็<笑><笑>ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่สภาพภูมิประเทศก็ ต้องเรียกว่าเป็นอย่างนี้ตลอดเจอกระทั้งถึงพันสุดท้ายวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้ขึ้นแนละ้วสิบรูปนะอะไรเนี้ยก <c oughs> ็เราก็ชีวิตทั้งวันทั้งวันก็จะเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราเนาะจากการอุ่นเครื่องอย่างธรรมยตราประมาณสักเจดแดวันร้อยกิโลเนี้ยพอเราไปถึงตรงนั้นก็ เราก็เหมือนกับวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนับกิโลตามใจชอบก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะเป็นตัวกาหนดเนาะหมู่บ้านนี้เนาะแบบว่าเราจะพักได้ไหมวันนี้อะไรต่างๆก็ อ, อาศัยก็เรียกว่าอาศัยหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวที่เราจะถามสอบถามคนก็ ถึงหมู่บ้านหนึ่งก็จะถามว่าหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราเราจะไปได้ยังไงแล้วก็ไกลแค่ไหนซึ่งก็ปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่ไกลที่สุดเลยที่ที่ในช่วงในช่วงของการเดินนี่ก็น่าจะตอนบ่ายช่วงบ่ายสัก22่ิกิโลนะเป็น2 2กิโลที่แบบโหดที่สุด ก็คือเป็นเรียกว่าหนึ่งทางเนี่ยตลอดทางเดินเนี่ยแทบไม่สวนกับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเลยเงี้ยนแล้วก็ทางเดินก็อยู่ในป่าในเขาล้วนๆเลย <c ười> ขึ้นลงขึ้นลงแบบโหดๆนะทีหนึ่งทีหนึ่งก็โอ้โหแบบเรียกว่า <c ười> แต่ก็ท้ายที่สุดก็เราก็ไปถึงนะก็ไปถึงจุดพักถึงที่หมายนะนก็ถึงจะค่าจะมืดยังไงก็ไปถึง ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เ็าเรียกว่าเราก็อยู่กับอย่างเนี้ยทุกวันนะบางทีลูกเดียวเนี่ยแค่เขาลูกเดียวเรามองขึ้นไปมันจริงๆเราไม่ได้มองขึ้นไปแล้วเราเห็นทางนะครับแต่หมายถึงเห็นยอดเขาที่เราจะต้องข้ามอะโอ้โขนาดนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นก็เป็นปฏิกิริยาของจิตใจนะโอ้หูขนาดนี้เลยอะไรย่เงี้ย แต่พอเวลาแล้วเราเดินเข้าจริงๆเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับบ้าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากตาที่มองเห็นนะไอ้การท้อใจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปสนใจตรงนั้นได้เนื่องจากว่าพื้นเนะาะก็เรียกว่าพื้นที่เราเดินก็ไม่ใช่เป็นทางเรียบๆก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนน้อยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะเส้นทางที่ บาทีก็เปียกก็แฉกบ้างทั้งเหนือทั้งเหนือตอนนี้ก็เรียกทั้งช่วงแม่ห้องสอนความชื้นในอากาศแล้วก็เรียกว่าความชื้นในอากาศแล้วก็ความชื้นของแหล่งน้ำต้นน้ำป่าต้นน้ำน่าจะชุ่มชื้นกว่าที่บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้สั กวาเท่าตัวนะฮะ บ, บางพื้นที่นี่ยังมีน้ําไหลซึมออกจากดินนะแฉกันก็ยังมีนะครับบางพื้นที่นี่เราเดินก็เรียกว่าต้องเดินตามล่องน้ำเนาะตามล่องน้ําที่ชาวบ้านเขาก็ใช้เดินใช้อาศัยไม่ใช่แค่ชาวบ้านใช้เดินใช้อาศัยมอเตอร์ไซค์ก็ใช้รถยนต์ก็ใช้เส้นทางเดียวกันแต่ควาหมายถึงไปบางครั้มองไปก็จะถามว่า อย่างนี้จะเรียกว่าทางได้ไหมก็ไม่ใช่ <c oughs> จริงๆมันคือล่องน้ำอะอย่างนั้นแล้วก็เดินกันอย่างเนี้ย <c oughs> คื อ, อยังเห็นก็เรียกว่าแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ <c oughs> ป่าเขาที่เห็นอยู่รอบๆข้างก็เรียกว่าใบไม้เหลืองอยังเห็นต้องเรียกว่าน้อยมากๆนะเ <c oughs> ขียวต้องเรียกว่าเขียวเต็มเต็มตา ชื้นกันชื้นกันเต็มเต็มตานะฮะอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับ <c oughs> กับเขาเรียกว่าสภาพธรรมชาติแบบนี้หมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เดินไปนะครับเดินตามล่องน้ำไปนึกไม่ถึงเอา้าป้ายหมู่บ้านอยู่ริมน้ำแบบนี้เนาะอย่างนั้นคือเหมือนกับคล้ายๆว่าไม่มีทางอื่นมากไปกว่านี้ มีแค่ทางเนี้ที่จะเดินเข้าหมู่บ้านก็ได้ปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆกนะบอกว่ามีกันอยู่แปดเก้าหลังนะอยู่กันมาน่าจะแปดสิบเก้าสิบปีไปแล้วละอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเพิ่มเปแบบนี้บางทีก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9้าหลังบางทีก็ลดลงเหลือแปดหลังเป็นชุมชนเล็กๆนะครับเป็นชุมชนเล็กๆก็อาหาร นะครับก็จะเป็นอาหารของชาวปากยาทั้งหมดนะครับบางวันเนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีอาหารที่ต้องซื้อจากภายนอกเลยหมายถึงชาวบ้านนะเนาะที่เขามาถวายเราเนี่ยจะมาม่าสักเส้นก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาหารที่เขาผลิตขึ้นได้หาจากป่าหาจากอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้ก็บางจุดนะครับก็เป็นอย่างนี้ วันๆหนึ่งเราก็จะผ่านหมู่บ้านประมาณสักสหมู่บ้านนะครับสาหมู่บ้านจะมีบางวันเท่านั้นที่ผ่าน4หมู่บ้านหมู่บ้านของพวกเขาก็ถือว่าเขาบอกว่าใกล้ๆเนาะเขาบอกใกล้ๆแต่จุดคำว่าใกล้ๆของเขานี่ก็สาสี่กิโลสมสี่กิโลอย่างน้อยนะครับแล้วก็สาสี่กิโลไม่ใช่3าสกิโลที่เป็นทางเรียบนะ สากิโลที่ผ่านเขาหลายๆหลายๆลูกแต่เขาก็อบอกว่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆมันแรกๆคำว่าใกล้ๆของเขาเราก็นึกอยู่ในใจนะว่าสักแค่ไหนจะไหมับอย่างนั้นประเมินอยู่ในใจพอพูดปุด๊บเขาคิดปับไปอะไรอยงนี้แต่พอวันหลังเราก็ทําทใจได้นะว่าคําว่าใกล้ๆหมายถึงว่าเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องเดินประมาณสักสองชั่วโมงถ้านเขาบอกว่าเขาเดินชั่วโมงหนึ่งเราก็า ต้องเป็นสองชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่ า, วาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ ก, ก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับในช่วงสมอาทิตย์เกือบสีอาทิตย์เนี่ยก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบ น, นี้ตลอดว่าตรงนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนี่ยจิตใจของเรามันก็เหมือนกับก็มีความคุ้นเคยเนาะมีความคุ้นเคยอย่างวันแรกอย่างเงี้ย ภูเขาลูกแรกที่เราเห็นนี่นะก็โอ้โหโอ้โ <laughs> ห oh, จะไปได้ยังไง <laughs> แต่ว่านั่นงก็คือก็เป็นเรื่องที่คำว่าไปได้ยังไงที่เกิดขึ้นในใจมันก็มันก็ไม่ยากไม่ยากเพระาะว่าเนื่องจากว่าเราก็มีกรรมฐานเน้วเป็นตัวเาเรียกว่า <laughs> เป็นตัวคอยที่จะนำทางนำทางของเรา ก็คือมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คุ้นเคยเนาะกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยนะการเคลื่อนไหมแต่ละครั้งแต่ละครั้งการรู้ตัวแต่ละครั้งแต่ลนะครั้งเนาะตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราก็เอามาใช้ได้ก้าวแต่ละกนะ้าวเนาะพอเหมือนกับว่าพอสายตายเห็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเดินแล้วก็จุดหมายปลายทางที่เราจะต้องผ่านไปทีละลูกทีละลูกเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่พอเราตายเห็นก็จริงจริงเวลาที่เราทำก็จริงๆร็นั่นคือเราก็เดินได้แค่ทีละก้าวทีละก้าวเท่านั้นเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยการที่เราเรเรียกว่าสร้างจังหวะนะเนราะแล้รู้สึกตัวทีละครั้งทีละครั้งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เหมือนกับว่าไม่ได้ไปยึดติดกับ ความรู้สึกแรกที่เรามองเห็นว่าโอ้โหมันจะยากนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาพอเอาเข้าจริงๆก็คือก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินอย่างที่บอกเราก็ต้องคอยดูเนาะคอยดูคอยอะไรึ่งตาหนามาเอาใจใส่กับพื้นบ้างมาเอาใจใส่กับจังหวะก้าวของเราบ้างตรงนี้ก็พบว่าเทคนิคนะอันนี้เป็นเทคนิคของชาวปกระกย์เวลาที่ พวกเขาเวลาเดินนครับเขาก็จะเอนตัวไปข้างนาสักนิดหนึ่งเขาก็อย่างผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงก็เดินกันเป็นประจำวันเขาก็จะเดินขึ้นเขาไปทุกเช้าไปหาฟืนพร้อมกับการที่เขาแบกเรียกว่าแบกสัมภาระที่จะใส่ฟืนเขาใช้สาย <c oughs> มาพาดไว้ที่หน้ผาผาก น, นแล้วก็เอาพักไว้ที่ด้านหลังส่วนที่จะใส่ฟืน แล้วก็จะเดินโน้มตัวไปข้างหน้าตรงนั้นก็มันก็เหมือนกับว่าพอเวลาที่เราสังเกตเห็นอาการกริยาเขาเราก็ลองเอาอาการกริยาของเขามาใช้ดูตรงนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้ชาวบ้านที่เขาเดินกันแบบนี้เนี่ยการทิ้งน้ําหนักตัวของเขาแรงตานานาเล่าลนี้มันทําให้การเดินการเดินขึ้นเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียน ร่างกายเรามา ก, นกหนักเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเป็นปกติธรรมดาอย่างที่เราเดินอยู่บันทีเราจะเดินตัวตรงๆเนาะหมายถึงคำว่าตรงๆก็หมายถึงตรงเหมือนต้นเสาแบบนี้นะถ้าเราเดินตัวตรงๆเหมือนต้นเสาแบบนี้การทิ้งน้ำหนักตัวแรงต่างนๆานานก็จะเป็นการเหมือนกับไปเบียดเบียนเข่าเบียดเบียนขาเบียดเบียนกล้ามเนื้อต้นขาข้อเท้าอะไรเยอะอยู่แต่ว่านั่นก็คือ มันก็อันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนาะที่หลวงพ่อเองมองมองดูชาวบ้านแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองก็ปรากฏว่าก็พบว่าการขึ้นเขาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ก็ผ่านไปได้สบายๆเพราะเนื่องจากว่ามันเหมือนกับแรกๆเราก็ยังจัดสรรนะก็เรียกว่าจังหวะการก้าวจังหวะ เขาเรียกว่าของการใช้ขาแข้งกับการใช้เขาเรียกลมหายใจการใช้หัวใจเนี่ยไม่ค่อยถูกนะก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับความเหนื่อยนะก็เกิดขึ้นหรือว่าการเดินไปหยุดไปก็เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพอเวลาที่เราเหมือนกับว่าจัดจังหวะตรงเราเองดีๆเนี่ยก็เราก็จะจัดจังหวะก้าวจัดจังหวะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ใช้ร่างกายของเราได้ถูกต้องดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆก้าวไปทีละก้าวก็เอา้าเดี๋ยวเดียวเอาถึงยอดแล้วเหรอเดี๋ยวเดียวเอาถึงทางลงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียนรู้เนาะเรียนรู้อย่างนี้ไปทำหนังเดียวกันพอเวลาที่เราใช้ร่างกายแบบนี้เนี่ยเราเองเราก็มองเห็นเนาะว่าโอ้ไอ้ความท้อ โนะ้ตที่เกิดขึ้นในใจตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับไอเราที่พอเวลาที่เราเดินถึงยอดทีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก้าต่อไปก็ก้าวต่อไปได้เลยก็ไม่ต้องพักมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้อในใจนะพอเราก้าวแรกไอความท้อมันก็หลุดหายไปเพราะเนื่องจากว่าใจเราเนาะก็มาเอาใจใส่กับจังหวะของร่างกายต่างๆ ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราก็มองเห็นนะเอาจิตใจเดี๋ยวมันก็ไปพะวงนะกับความคิดเนาะเดี๋ยวจิตใจเราก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียนรู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนาะผ่านจังหวะก้าวของเราผ่านภูเขาแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละลูกไปพอถึงวันจบวันเนาะเราก็ เหมือนกับก <c oughs> ็ใช้ร่างกายนะวันหนึ่งก็สิบกว่ากิโลบ้างยี่สิบกิโลบ้างสาสิบกิโลบ้างใน ต, ต่างๆความอ่อนล้าของร่างกายก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างเอาใจใส่กับการกับการเขาเรียกว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนแนะนำเนาะ คือในส่วนที่บอกบอกว่าให้เราวางกายคลายวางใจกลางตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับอยู่กับอาการกริยาคอยกำกับอาการกริยาของเราทีละก้าวทีละก้าวอยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่จบวันเนาะก็จะเป็นการจบวันที่เหมือนกับพอเราถึงที่พักปุ๊บก็ นั่งหายใจสักสี่ห้านาทีเนี่ยเราก็พบว่าเราก็พร้อมที่จะไปก็เรียกว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่ที่เราจาเป็นต้องทำในวันนั้นต่อไปได้อย่างก็เรียกว่ายัางไม่มีไม่มีล่องรอยเนาะ อ, อะไรที่เหลืออยู่กับร่างกายหรือจิตใจก็มันก็ดีนะก็เราก็ได้เห็นโอ้นี่นะ บางทีความเหนื่อยหรือความล้าของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็ทํางานของเขาเรียกว่าร่างกายก็ก็ทํางานของเขาเองก็ทํางานได้ดีเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราก็พบว่ากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เหมือนกับ ธรรมะก็คุ้มครองเราเนาะอย่างเงี้ยก็สังเกตเห็นจะมีเ็าเรียกว่าพระใหม่เนาะพระใหม่ในทีมท่านก็เป็นเด็กเป็นอายุน้อยๆยี่สอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ดูมีความปวดเมื่อยมีความอะไรต่างๆนานาที่ค้างคาอยู่กับ เรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ใช้ไปในแต่ละวันแต่ละวันจริงๆท่านก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นอายุยังน้อยน้อยนะแทบจะวิ่งขึ้นเขาได้เลยละอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าท่านเองก็เป็นเลี้ยวแรงให้เราเยอะนะบางทีทางนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหมเราจะไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็บอกท่านบอกว่าช่วยไป สำรวจทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็อาสานะก็ไปสำรวจใช่ไหมอย่างนั้นวันทีก็ไปสำรวจไกลๆบางทีท่านก็ถามวันนี้ต้องปีนต้นไม้ดูไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้นะแต่ท่านก็ยังก๊อปปี้กัเปล่ามากๆแต่ว่าเราก็สังเกตว่าความก๊อปปี้เปล่าตรงนั้นอนะ่ะก็เป็นเรื่องของการที่เลี้ยวแรงท่านยังมีแต่ว่านั่นคือท่านเพิ่งบวชนะกรรมฐานท่านก็อาจจะยังไม่ทันได้ใช้อะไรมากนะัก แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็พบว่าตลอดเส้นทางเดินเนี่ยกรรมฐานเนาะที่เราใช้กันอยู่การยกมือสร้างจังหวะที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าได้สำหรับโดยส่วนตัวเองนะไม่มีข้อสงสัยว่ากรรมฐานกับชีวิตประจําวันเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าสัมพันธ์กันได้ยังไงเพราะเนื่องจากว่า อย่างชีวิตประจาวันในช่วงเดือนที่แล้วเนะี่ยก็เป็นชีวิตประจำวันที่เราใช้ร่างกายอย่างหนักนะต้องเรียกว่าใช้ร่างกายอย่างหนักมากๆแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าหนึ่งก็คือในแต่ละจังหวะ ก, ก้าวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งตรงเนี้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเนี่ยใช้ได้ทันทีเลยเี่ย ตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าบางทีคนที่เหมือนกับปฏิบัติธรรมนะก็จะถามกันอยู่ตลอดเวลานะว่าเราสามารถที่จะเอากรรมฐานมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ไหมแต่ว่าก็โดยส่วนตัวเนาะก็ขอยืนยันนะว่าอย่างเราเนี่ยสนะจังหวะเนี่ยนะใช้ได้เลย การรู้สึกตัวแต่ละครั้งพลิกตัวแต่ละครั้งหยุดแต่ละครั้งยกแต่ละครั้งเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วก็ใช้แล้วก็คุ้มมากๆเพราะเนื่องจากว่าอย่างอย่างอย่างอย่างที่บอกนะว่า mm hmm. คือพอจบวันเนี่ยบางทีเราก็ใช้ร่างกายมากๆอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตื่นมาแล้วเราก็ต้องเดินต่อเนาะเราก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนั่นนั่นคือช่วงกลางคืนเนี่ย ร่างกายเราก็พักเนาะพักเขาก็ฟื้นตัวเนาะร่างกายไม่ใช่ของเรานะก็ทํางานของเขาเองแล้วเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็โดยส่วนตัวก็อย่างที่เบอกไม่ได้ใช้น้ํามันนวดช่วยไม่ได้ใช้อะไรช่วยเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาศัยการที่เราคอยพิจารณาเนาะเนาะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเราวางกายคลายคลายไหมวางใจขลางกลางไหมถ้ามันเขาเรียกว่า เราฝืนมากไปก้าวต่อไปแล้วก็ปรับใหม่ใช่ไหมก้าวต่อไปแล้วก็ปรับใหม่มันก็มีแบบนี้พรานั้นนั่นคือการที่เรากาลังยกมือสร้างจังหวะอยู่เนี่ยการที่เราหยุดครั้งหนึ่งเคลื่อนครั้งหนึ่งหยุดครั้งหนึ่งเคลื่อนครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยได้ลองสังเกตนะว่าเราใช้กายของเราแบบไหนไม่ใช่ว่า14จังหวะลวดไปครั้งเดียวเลยแล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาเป็นครั้งครั้งนั่นนั่นคือตรงเนี้ยการที่เรา เคลื่อนครั้งหนึ่งหยุดครั้งหนึ่งการที่เราเคลื่อนครั้งหนึ่งหยุดครั้งหนึ่งเนี่ยให้เราได้พิจารณาตรงนี้แล้วก็ให้เราได้ดูความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจเนาะครั้งนี้เราจะดูก็ได้นะว่าอืใจเราวางใจไว้ยังไงเราวางใจไว้กลางๆไหมบางทีเนาะก็เหมือนกับการเดินอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะก้าวไปให้ทันคนข้างหน้าเนาะ มันก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู people, people ่กับประธานอยู่กับคนหมู่มากตรงนี้เนี่ยบางคนที yeah, ่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ไปไกลแล้วบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะยกมือให้มันแบบว่ารู้ทำเร็วเหมือนท่านหรืออะไรต่างนานาเ่านี้อะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่นั่นเป็นการวางใจไม่ถูกต้องนั่นก็คือตรงเนี้ยเนาะการที่เรารู้แต่ละครั้งเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วเนาะรู้แต่ละครั้งเนี่ยจบเรียบร้อยแล้ว การที่รู้หมายถึงว่ารู้ว่าคราวนี้เนี่ยเราพยายามเกินไปการเคลื่อนต่อไปแล้วก็ลดความพยายามลงก็จบจช่ไมอย่างเี้ยจบทั้งเรื่องของกายจบทั้งเรื่องของใจนั่นคือตรงเนี้ยนะก็อยากให้พวกเราเนาะได้มองเห็นว่าการที่เราเนี่ยหัดกรรมฐานหลวงพ่อคำเขียนนี่ยืนยันนะครับว่ากรรมฐานที่เรากาลังหัดกันอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ย ที่เราลู้ตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเป็นทั้งเบื้องต้นแล้วก็เป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นทั้งที่สุดคําว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็หมายถึงว่าเป็นทั้งเราหักด้วยแล้วก็เป็นทั้งอย่างหลวงพ่อคำเขียนที่ไปแล้วด้วยดีนะก็คือท่านบอกว่าท่านกระจายคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะฉะนั้นนึคือตรงเนี้ขอให้เรามั่นใจว่าการที่เราเคลื่อนครั้งหนึ่งหยุดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะพาตัวเราเนี่ย ไปบนเส้นทางธรรมเนาะจากการที่เราเนี่ยอยู่กับทุกเนี่ยเราก็จะค่อยๆพ้นจากทุกไปทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ทำตามครูบาอาจารย์บอกจริงๆก็คือรู้เป็นครั้งคร้รู้เป็นครั้งครั้งรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งรู้สึกตัวเป็นครั้งครังนั่นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้มองเห็นนะว่ากรรมฐานกับชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราใช้ได้จริงๆและเราก็จะไม่ได้ว่า ใช้ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยอย่างเปล่าเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้ทิ้งคว้างไปวันๆนะอย่างที่ <c oughs> อย่างที่เมื่อกี้พระจันทร์สุลินท่านพาเราสวดนะสิบนะครับสบข้อสบข้อที่เราได้เ็าเรียกว่าทบทวนเนาะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากลังทอะไรอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นสิ่งที่ กรรมฐานจะเป็นตัวที่ตอบเราได้เลยว่าอย่างข้อที่หนึ่งนะใช่หครับบัตรนี้เรามีเพศต่างจากเครือหัดแล้วจริงๆก็เราเองพวกเราเองถึงแม้ไม่ได้บวชนะครับแต่พวกเราตั้งใจเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราได้อาศัยจังหวะใช่ไหมครับจังหวะของการที่เราเนี่ยปฏิบัติเป็นจังหวะจังหวะตรงนเนี้ยเนาะ ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ว่าใช้ร่างกายไปฟรีๆแต่นี่คือเรากลังหัดจิตหัดใจไปด้วยหรือว่าชีวิตของเราเนื่องโดยผู้อื่นเราควรํำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอย่างที่หลวงพ่อไปเดินธุดองค์อย่างเงนะี้ยเนาะคือทุกอย่างนี่หมายถึงว่าเราจะฝากชีวิตไว้กับไว้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรืออะไรตานานาเหล่า น, า น, านี้เจออะไรเอาอย่างนั้น วันนั้นนั่นคือตรงนี้เราก็พบว่าวันวันหนึ่งเราไม่ได้เขาเรียกว่าบริโภคของที่ชอบวันวันหนึ่งเราไม่ได้เจอเสนาสนะที่เราต้องการหรืออะไรต่างๆแต่าชีวิตของเราก็ยังเหมือนกับว่าเลือดเนื้อร่างกายจิตใจที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ทําให้เราใช้ชีวิตเนาะอย่างสมบุกสมบันได้อย่างสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรตรงเนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่า ให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนาะสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าหมดทุกหมดทุกหมดโศหมดโลกหมดภัยต่างๆนานาเหล่านี้ได้อย่างดีก็ข้อขอให้พวกเรามั่นใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติทมกันเพื่อให้พวกเราได้พ้นทุกโศกกันทุกคนเนาะ ่ะ <God. laughs>